ก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งพิจารณาการละส่วนสัญญาอันสหรคตด้วยธรรมเครื่องเนิ่นช้าของพระองค์หรือว่าพิจารณากิเลสที่ขยายวัตะหรือพิจารณากิเลสที่ทําให้เนิ่นช้าหมกมุ่นเฝ้าวะตฏฐอยู่นี่นยลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบการละสัญญาอันเป็นส่วนสหรคตด้วยความเนิ่นช้าของพระองค์แล้วก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า ผู้ใดไม่มีกิเลสเครื่องเนิ่นช้าคือตันหามานะทิฐิและตั้งอยู่ในสงสารเก้าล่วงเสียซึ่งที่ต่อคือตันหาทิฐิละและลิมเขือวิชาเนี่ยนะลิมที่มันปัก น, นะว่าตะปูตรึงใจปกตอกย้ำไว้เขือวิชาแม้โลกคือหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ดูหมินผู้นั้นผู้ไม่มีตันหาเป็นมุนีเที่ยวไปอยู่ หมายความว่าผู้ใดที่ตัดเครื่องเนิ่นช้าตันหามานะทิฏฐิกรรมจัดอวิชชาได้หมดแล้วนะสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตไม่มีไม่มีผู้ใดดูหมิ่นท่านหรอกนะอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีใครดูหมิ่นพระองค์ไหมเอาเอาคนที่มีปัญญานะมีใครดูหมิ่นพระองค์ไหมตั้งแต่ตรัสรู้เป็นต้นมาเนี่ยนะไม่มีหรอกไม่มีใครดูหมิ่นหรอกมีแต่ตาม ชื่นชมสมัยก่อนเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนเขาจะมีเขบอกว่าชื่อเสียงขจรขจายไปอ่นะอิติปิโสภะควาเ น, นี่ยนะอักขอะไรนะตังโขปะนะภะคะวันตังเอวังกัลยานโนกิติสัะโทอปุขะโตเนี่ยนะก็กิติสัพ์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าคือชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยขจรขจายไปไกล น, นะนะพันเขาก็ชื่นชมชื่นชมเนี่ยนะลักษณะชื่นชมไม่มีดูหมิ่นหรอกแต่ถ้าหากตรงกันข้ามใช่ไหมถ้าคนคนเลวอ่ะนะคนที่ยังมีตันหามานะที่เถีวิชาเป็นต้นเนี่ยนะชื่อเสียก็ขจรไปไกลนะนะชื่อเสียข้างหลังก็กระจายไปไกลว่าคนนี้ชั่วอย่างนี้เรื่องที่หนึ่งชั่วประเด็นนี้ชั่วความชั่วที่สองความชั่วที่สามจารณาที่เรียกอะไรนะโอ้ยกขึ้นมาสาธยายได้ยาวเนี่ยนะ ของเราเนี่ยถ้าเลือกที่จะเอาเรื่องคนชั่วมาคิดกับเลือกเอาเรื่องเรื่องของพระริยเจ้ามาคิดเนี่ยนะอันไหนดีกว่ากันนะดีกว่านะนึกถึงพระริยเจ้าดีกว่านะนก็อยากขี้เกียจจารนเจริญอนุสติกันละกันเป็นภาเวตาปธรรมอ่ะเนาะตรงนี้ในสูตรปรปัญจสังขยสูตรเนี่ยพระองค์พิจารณาหรืออนุภาพของปัจเวคขณะยานยนะนะมหากิริยาญาณสัมปยุทธพิจารณา สมุทยสัจจะหรือพิจารณากิเลสนั่นเองปปัญจสัญญาสังขาปหานังเนี่ยนะกิเลสชื่อว่าทำเป็นเครื่องเนิ่นช้าเพราะเป็นที่เกิดขึ้นนั่นเองทำให้เนิ่นช้าคือขยายความสืบต่อให้ขว้างขวางเอช้ากับขยายนี่เป็นยังไงหมายคําว่าโครงการในวัฏฏะเนี่ยมีแต่ขยายขึ้นขยายขึ้นขยายขึ้นไอ้เนิ่นช้าหมายคําว่า ไม่มีจบมีเลิกไม่มีรามีมแต่ขยายขยายโครงการที่จะสืบสารวัตตะให้ยาวขึ้นไอตัวขยายโครงการสืบสารวัตตะตัวนี้แหละเรียกว่าปปัญจะปะปัญจะกิเลสเป็นเครื่องเนิ่นช้าพันก็พวกเนี้ยเมื่อขยายขยายวัตตะอย่างนี้ก็ทาให้อยู่ในวัตตะได้อย่างเนิ่นนานเนี่ยนะอยู่ได้ยาวตีตัวพิเศษเลยนะตีตัวโดยพิเศษเอาไว้เลยว่าไปยาวแน่ ไอ้ตัวตั ว, ต ว, ต ว, ตวที่มันทำให้ยาวอันนั้นคืออะไรก็ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิอันนี้ก็คือแต่ตัวตัวขยายวัตตาจริงๆก็คือตัวตันหามานะกับทิฏฐิดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าธรรมะเครื่องเนิ่นช้านะในที่นี้ท่านยกมาห้าอย่างนะราคะโทสะโมหะตันหทิฏฐิและมานะกิเลทั้งหนี่แหละคือตัวที่ทำให้เนิ่นช้า ก็สมมติว่าถ้าราคาเกิดเนี่ยช้าไหมต่อการพิจารณาอริยสัจช้าโทสะเกิดเนี่ยใกล้ต่อการเห็นอริยสัจไหมช้าถ้าโมหะเกิดเนี่ยปกปิดลืมหมดเลยก็ช้าอีกที่จะเห็นอริยสัจถ้าตัณหาเกิดเนี่ยนะซ่านไปหมดก็ลืมพิจารณาอริยสัจอีกมิช้าทิฏฐิเกิดก็ตรงกันข้ามกับอริยสัจอยู่แล้วถ้ามานะเกิดมัวแต่พองก็เลยลืมคิดอริยสัจอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งไอเครื่องเนิ่นช้าเนี่ยมีอัตถว่าเศร้ามอง อันะทำเศร้าหมองนี่แหละชื่อว่าอัถฐแห่งความเนื่นช้าเครียกว่ามัวแต่เหมือนอะไรนะมัวแต่ไม่สบายใจก็เลยไม่ได้ศึกษาพระธรรมเหมือนกันนะมัวแต่มัวแต่เศร้าใจมัวแต่ลําบากใจมัวแต่หงุดหงิดมัวแต่เครียดมัวแต่เดือดร้อนใจมัวแต่เครียกว่ามัวแต่อึดอัดโอ้ยซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าโรคเรียกว่าอะไรโรคเศร้าเป็นต้นเนี่ยก็เลยทําให้ศึกษาอริยสัจไม่ได้เนี่ยเจริญอริยสัจไม่ได้มันช้าจริงๆเลยนะ เป็นวิชาเดียวนะคือวิชาอริยสัจนี่แหละที่ต้องเรียนด้วยกุศลจิตเนี่ยที่ต้องเรียนด้วยกุศลจิตถ้าจิตเป็นกุศลไม่หรือกุศลจิตไม่เกิดเมื่อใดอ่านไม่ได้เนีย่ยนะโดยเฉพาะคัมภี์ประเภทอุทานด้วยเนี่ยนะคำพีประเภทนะคมภี์ประเภ ท, เภทโดยเฉพาะลึกๆหน่อยนะกล่าวถึงอริยสัจชี้แจงจำแนกแจกแจงรายละเอียดที่ลึกซึ้งเนี่ยนะฟุงฟ้งซานหน่อยก็ไปแล้วเนะี่ยนะกุศลจิตเข้ามาแทรกหน่อยก็ เคลื่อนไปเรื่องไหนแล้วก็ไม่รู้ถ้าเป็นดูทีวีก็เปลี่ยนช่องไปตั้งนานละอีกอย่างห น, นึ่งเนี่ยนะไอธ้ธรรมะดุดอยากเยื่อเรียกว่าธรรมะเครื่องเนิ่์นช้าไอ้เครื่องเนิ่์นช้าตรงนี้สามารถแปลว่าเศร้ามองก็ได้แปลว่าเหมือนขยะอยากเยื่อก็ได้โบราณเขานิยมแปลว่าอยากเยื่อสมัยหม่เขาเรียกกองขยะทั้งหลายเนี่ยนะไอ้กองขยะตัวนี้แหละเรียกว่าเหมือนกับอยากเยื่อก็มกมมหมักมสมันได้ก็ใครเคยเห็นที่ทิ้งขยะมั่ง นะกองพเนรเทินทึกเลยเนี่ยนะเป็นยังไงนะไอไอตัวเครื่องเนิ่นช้าก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็เหมือนกับกองขยะอยากเยื่อนเนี่ยในทำเครื่องเนิ่นช้าเหล่านั้นนะตัวที่ทําให้เนิ่นช้าตรงนี้เนี่ยตัวเนิ่นช้าเมื่อกี้มีกี่อย่างนะหกอย่างนะหนึ่งราคะสองโทสะสามโมหะสี่ตัณหาห้าทิฏฐิหกมานะเรารู้ได้ยังไงว่า ตอนนี้ราคาทำให้ช้าอยู่ดูจากสุภาสัญญาเป็นเครื่องหมายของเครื่องเนินช้าคือราคาโม่แต่สนใจสิ่งสวยงาม น, นะอันก็สวยนี่ก็งามหน้าเพลิดเพลินไปหมดเนี่ยนะดอกไม้นั้นก็สวยดอกไม้นี้ก็หอมดีไปหมดเลยเรียกว่าอะไรอะไรก็ดูดีไปหมดเลยถ้าลักษณะนี้ น, นะช้าอย่างหนึ่งแล้วคือราคานี่ททำให้ช้าอาคาตวัตถุเป็นเครื่องหมายของเครื่องเนินช้าคือโทสะ คนโน้นมันเคยด่าเราคนโน้นกําลังด่าเรา ต, <science S 1> ต่อไปไอ้คนโน้นสร้างความเสียหายให้แก่เราอันนี้โมัวแต่กโกรธอยู่ใช่ไหมคนโน้นเคยสร้างความเสียหายให้แก่เราคนโน้นเขาจักทาความเสียหายให้แก่เราไอ้คนนั้นมันกําลังสร้างความเสียหายให้แก่เราถ้ากําลังโกรธอยู่อย่างนี้เร็วเร็วไหมที่จะออกจากวตะขึ้นปกติมันน่าจะเบื่อหน่ายขึ้นใช่ไหมใครๆว่าไม่เห็นมีอะไรดีเลยน่าจะออกจากวาตะได้เร็วขึ้นแปลกนะทําไมช้าลง เพราะว่าโมวแต่เผาตัวเองนะหมดเกลี้ยงเลยนะเผ mm hmm. ากุศลธรรมหมดแล้วมันจะไปเอาอะไรออกจากวัตตะได้หรืออาคาตวตถุเนี่ยลักษณะอันหนึ่งก็คือคนโน้นมันเคยส่งเสริมศัตรูเราคนโน้นนะอนาคตต่อไปมันต้องเชียร์ศัตรูเราคนโน้นเนี่ยกำลังสนับสนุนศัตรูของเราก็เลยโกรธเลยพวกนี้ก็อาคาตวัตถุหรืออย่างหนึ่งนะคนโน้นเนี่ยนะเคยสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารัก คนโน้นต่อไปเนี่ยมันสร้างความเสียหายให้แก่คนที่เรารักคนโน้นเนี่ยกำลังสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่เรารักพวกนี้ก็มัวแต่โกโรธนะนะมัวแต่โกโรธอยู่ก็เลยไม่ได้พิจารณาเริยสัตว์อะไรไม่ได้เจริญทาเวตปาปธรรมอะไรเพราะว่าโทสะไม่ใช่วิปัสนาญาณปัญญากับโทสะเนี่ยมีส่วนคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมปัญญาเนี่ยเออโทสะเป็นยังไงโทสะพิจารณาเห็นโทษที่ไม่เป็นอยู่จริง ถ้าปัญญานี้พิจนารณาเห็นโทษตามที่เป็นอยู่จริงเนี่ยนะหรือบางทีเนี่ย ไ, ไอ้เครื่องวัตถุเครื่องทําให้โกรธเนี่ยนะบางทีก็เรื่องไม่เป็นเรื่องหรอกบางทีเมื่อแต่เครียดเรื่องไม่เป็นเรื่องนี้นะเช่นนะเรื่องอะไรบ้างเรื่องไม่เป็นเรื่องฝนตกก็โกรธแ Đ ดดออกก็โกรธนะลมหนาวมาก็โกรธลมร้อนมาก็โกรธโอ้ยโกรธมาทุกเรื่องหมดแล้วนะฝนมากาะนิดๆหน่อยๆจับแล้วโกรธไปหมดเลยนะฝนนี้แหละ ไม่ร่วมเครียดมาจากเรื่องอะไรมากลุมไม่ ร, มรู้เอาไปลงไปทุกเรื่องไปหมดมนะนะหมาเห่าก็เครียดแล้วต่อไปนะว่าไอ้ทำที่ทําให้เนิ่นช้าอันหนึ่งก็คืออาสวะนะอาสวะนี้เป็นเครื่องหมายของโมหะเรารู้ได้ยังไงว่าเรากาลังมีโมหะกลุ่มรุมเนี่ยนะก็ดูได้จากว่าใจกําลังเป็นไตกับกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะแล้วก็ไม่เห็นอริยสัจอีกตามเดิมนี่แหละเครื่องหมายของโมหะที่ทําให้เนิ่นช้า เวทนาเป็นเครื่องหมายของตันหาสุขเวทนาก็เป็นอาหารของตัญหาทุกขเวทนาก็เป็นอาหารของตัญหาอุเบกขาเวทนาก็เป็นอาหารของตัญหาถ้าความสุขเป็นเหตุให้เกิดตัญหาหลายท่านก็บอกเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมเพราะคนที่ได้รับความสุขมันก็ต้องการสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสิอาลคนที่กาลังทุกข์อยู่ทาไมจึงเกิดตันหาบ่าคนหิวกับคนอิ่มใครอยากกว่ากันอ น, นะคน คนที่กําลังเจ็บป่วยมากๆใครต้องการหายป่วยมากกว่ากันกับคนไม่ป่วยเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์มากๆอย่าคิดว่าตันหามันลดลงนะยิ่งคนทุกข์เท่าใดทุกข์ปานใดทุกข์ขนาดไหนทุกแค่ไหนยิ่งทุกข์เท่าไหร่ตันหายิ่งมากเท่านั้นอย่าไปคิดในเวทวงของผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่จะตันหาลดลงเชื่อไหมสงครามทะเลาะ ก, กันเนี่ยเค้นฆ่ากันแทบจะเผาบ้านกันเพราะสึดชิงไม่กี่บาท ทะเลาะกันเพราะเงินไม่กี่บาทจริงๆเนี่ยนะด่ากันนึกว่าเรื่องใหญ่เรื่องโตโอยครั้งนี้เนี่ยเสียหายมากมายที่ไหนได้ห้าบาทสิบาทนี่ก็ทะเลาะกันจนพังไปข้างหนึ่งอะไรพันความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นสาเหตุของตัณหาเนี่นะเป็นสาเหตุแห่งความต้องการถ้ายิ่งแบบอะไรนะที่ใดมีทุกข์มากๆที่นั่นจะมีขโมยชุมที่นั่นจะมีโจรผู้ร้ายมากมายเพราะอะไรเพราะว่าเขาทุกเกิดทุกมากจนเขา จนเขาต้องสแสวงหาต้องอดเอพราะความหอยหิวนี่นะส่วนอุเบขาเวทนาล่ะเป็นเหตุของตันหาไหมนะสังเกตดูนะถ้าใครอะไรบางคนเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเริ่มอะไรเริ่มชินตาเห็นเฉยๆเมื่ อ, อไหร่ก็ต้องแต่งใหมล่ละใช่ไหมเพราะว่าหาใหม่ดีกว่าเริ่มชินตาไปแล้วเริ่มไม่ไม่ไ ม, ไม่ประทับตาแล้วเรียกว่าเริ่มไม่ประทับใจแล้วก็ต้องหาใหม่แล้วใช่ไหมทันไอ้ที่ความเฉยๆก็เป็นเหตุหแห่งตันหา พันธะใครนั่งอยู่ที่ใดแล้วทําตัวเฉยๆอีกพักเดียวก็ลุกหนีไปแล้วนะอย่างฟังทำเหมือนกันนะถ้าฟังไปรู้สึกเฉยๆแล้วก็เตรียมไปแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าทิฐิล่ะทิฐิดูจากอะไรดูจากสัญญาสัญญาเนี่ยเป็นเครื่องหมายของทิฐิว่าพื้นฐานจริงๆเราสําคัญในเรื่องนั้นว่าเป็นยังไงสัญญาตัวนี้แปลว่าความสําคัญ คือเราเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไงสัญญาเนี่ยบางทีแปลหมายถึงความเข้าใจก็ได้เราเข้าใจหรือสําคัญว่าอันนั้นอ่ะคืออะไรเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไห น, นคือสําคัญอย่างไรนะคิดอย่างไรสําคัญว่ามันเป็นอะไรนั่นแหละเปื้อนเครื่องหมายของทิฏฐินนถ้าสําคัญถูกก็เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมแต่นี้เรากําลังพูดมิจฉาทิฏฐิอยู่ก็คือสําคัญแบบผิดๆเข้าใจผิดๆสําคัญผิดๆก็เลยมิจฉาทิฏฐิก็ทําให้ เนิ่นชา้าเช่นสําคัญว่าเป็นสัตตสัญญาย่งเงนะความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์คือถ้าสําคัญว่าเป็นสัตว์ด้วยเป็นนะถ้าสําคัญว่าเป็นปิยมนาปะสัตว์สาคัญว่าเป็นสุขิทัสสัตสําคัญว่าเป็นทุคิทัสสัตว์มัชตัสสัตเป็นต้นเนี่ยถ้าอย่างงี้ไม่มีปัญหาหรอกแต่ไอ้ที่สัญญาก็สำคัญว่าเป็นสัตว์ด้วยอํานาจของมิชชาทิฐินี่สิ ที่ไม่ใช่อารมณะปัจจัยของพรหมวิหารแต่อยู่บนพื้นฐานของสักการยัิทิถ้าอย่างนี้ก็นั่นแหละทําให้มิจฉาทิฐิทาให้โครงการขยายวัฏตะยาวขึ้นส่วนความตรึกเนี่ยนะวิตกวิตกเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของเครื่องเนื่อนช้าคือมานะคนที่มานะมากๆเนี่ยมันมันมันคิดอะไรนะสมมุติว่าคน ถ้าน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยพื้นฐานจากมานะ a ไหมอ่านะน้อยเนื้อต่ําใจเนี่ยนะไอความน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยเป็ น, น, นะ น, น, น, น, นค น, น, นพวกคิดเล็กคิดน้อยนะพอคิดเล็กคิดน้อยคิดยุ่มยิ้มปป๊บก็เกิดอากาน้อยใจอีกแล้วใช่ไหมพวกนี้สําคัญว่าเราพอๆกับเขาก็ม m a n ะสําคัญว่าเราดีกว่าเขาก็ m a n ะแล้วคิดยังไงดีพระองค์บอกว่าอะไรนะ ถ้าเราจะแข่งกันก็เอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา น, นั่นแหละมาแข่งกันมันถ้าพิจารณาสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงก็ไม่รู้จะแข่งทำไมแข่งว่าฉันคือนักโทษประหารฉันดีอย่างนี้หรือเปล่าฉันคือนักโทษประหารฉันเลวเป็นต้นก็คงไม่อย่างนั้นหรอกเพรา ะ, ะ้ไอ้วิตกการตรึกตรึกคิดไปเรื่อยเนี่ยนะเป็นสาเหตุของมานะ สรุปว่าสัญญาที่เกิดพร้อมกับเครื่องเนิ่นช้าเหล่านั้นชื่อว่าปปันจัสัญญาสัญญาที่เกิดร่วมกับราคะหรือเกิดร่วมกับโทสะหรือเกิดร่วมกับโมหตันหาทิฏฐิมานะตันหาเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องเนิ่นช้าทำให้ขยายวตตะทำให้วตะนี้ไม่มีจบมีสิ้นเป็นไปเรื่อยส่วนส่วนภาคะโกธาสะเนี่ยอันเดียวกันนะน ส่วนของสัญญาเครื่องเนิ่นช้าหรือภาคะ ส, ส่วนเครื่องเนิ่นช้าโกฐาสะก็ส่วนอีกนั่นแหละแห่งเครื่องเนิ่นช้าชื่อว่าส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าความหมายจริงๆคืออะไ ร, ะอรอ ก, ร د, กองแห่งความเศร้าหมองกองแห่งกิเลสกองแห่งความเศร้าหมองอันเป็นฝักฝ่ายแห่งธร ร, ร ม, popping, มะเครื่องเนิ่นช้านั้นพร้อมทั้งนิมิตคือเครื่องหมายความเศร้าหมองและเครื่องหมาย ตัวเศามองคืออะไรราคะโทสะโมหะตันหาทิฐิมานะเครื่องหมายคืออะไรสุภาษัญญาอาคาตวัตวถุอาสวะเวทนาสัญญาและวิตกพวกนี้เป็นเครื่องหมายนะทวนนะสุภาสัญญาเครื่องหมายของราคะอาคาตวัตวถุเป็นเครื่องหมายของโทสะเวทนาเป็นเครื่องหมายของตันหาสัญญาเป็นเครื่องหมายของทิฏฐิวิตตกเป็นเครื่องหมายของมานะทั้งกองกิเลสและ นิมิตเครื่องหมายนี่แหละเรียกว่าส่วนแห่งเครื่องเนิ่นช้าเนไหมนะสัญญาย่อมมีโดยปะปัญจะทำนั้นโดยเป็นเหตุที่ทั่วไปแก่ส่วนนั้นดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าความจริงส่วนแห่งปะปันจะทำมีสัญญาเป็นเหตุนะเครื่องเนิ่นช้าทั้งหมดนี้เกิดจากสัญญา การละซึ่งส่วนแห่งปปันจะทำเหล่านั้นอธิบายว่าตัดกิเลสมีราคะเป็นต้นด้วยมักนั้นนั้นได้เด็ดขาดเนี่ยนะใครใครตัดกิเลสเหล่านั้นได้เด็ดขาดพระอรหันเนี่ยนะตรงนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นี้ได้ตัดเครื่องเนื่นช้าเหล่านั้นได้อย่างเด็ดขาดหมดแล้วได้ยินว่าในการนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณากิเลส อันเป็นเหตุแห่งความพินาศในอดีตชาติของพระองค์อันนับได้หลายแสนโกดโอ้ยนึกถึงไอ้ความเศร้ามองเหล่านี้นะที่สร้างความพินาศให้แก่พระองค์ในอดีตนะถ้าไม่มีกิเลสเหล่านี้ไม่มีตัวเศร้ามองเหล่านี้พระองค์ไม่พินาศหรอกในอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาเป็นแสนโกดกลับเป็นอสงไขยกลับอะไรเป็นต้นเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากความเกิดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองนี่แหละ ให้ประสบแต่ความพินาศพินาศยังไงม้างก็ชาติชารามรณะชาติชารามรณะชาติชารามรณะที่ปลายในวะะัะเนี่ยนะอันนี้แหละที่ทำให้พระองค์เสียหายกิเลสอันนี้เนี่ยที่พระองค์ได้ละละได้แล้วพร้อมทั้งวาสนาณโนะพธิมณฑนเนี่ยนะณโพธิมณฑ น, นหรือว่าสถานเป็นที่ผองใสแห่งโพธิญาณหรือโพธิมณฑนเนี่ยนะ ที่พระ อ, องค์กำจัดกิเลสนั้นกำจัดด้วยอริยมรรคในภพสุดท้ายขณะเดียวกันพระ อ, องค์ก็เห็นสันดานของสัตว์สันดานเนี่ยนะแม้ใช้ก็แคว่าใช้ภาษาไทยที่ถึงใจมากเลยที่จริงอับสันตานะเนี่ยนะก็ความสืบเนื่องของแต่ละคนอ่ะนะเพียรพร้อมไปด้วยกิเลสเศร้ามองมีราคะเป็นต้นแต่ละคนก็เปลืองยากเปืืองได้แสนจะยากนะไม่ใช่เปลืองได้ร้อยยากนะ ร้อยยากพันยากหมื่นยากก็ยังพอทาําน่อยไหมแสนจะยากเลยแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะถ้าล่อเป็นแสนเลยอย่างเงี้ยั่นก็เรียกว่าแสนเลยนะอะไรก็ตามถ้าหลักแสนเนี่ยนะมันยากเหมืนกันนะนี่ก็เหมือนกัานรนะราคานี่มันเอาได้แสนจะยากดีว่าโกรธยากล้านยากโกรธยากอันนี้กันหนักเลยอีกแต่สรุปว่าแสนยากก็แล้วกันเหมือนอะไรเหมือนกระโหลกน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยน้ําข้าวนะกะโหลกน้ําเต้าก็คือใหม่ใหม่ก็เหมือนอะไรนะ กะโหกน้ำเต้าก็เหมือนกระเจยกลันนี่แหละที่เต็มไปด้วยข้าวเหมือนภาชนะที่เต็มไปด้วยเปรียงแล้วก็เหมือนท่อนผ้าเก่าที่ชุ่มไปด้วยน้ํามันเลวอันนี้เหมือนผ้าชุบน้ํามันอ่ะนะพระองค์เห็นอย่างนี้เนี่ย น, นะเห็นอะไรเห็นการละกิเลสของพระองค์ได้เสร็จสิ้นแล้วเห็นหมู่สัตว์นี้ถูกกิเลสครอบงําอย่างนี้พระองค์ก็เกิดปีติปราโมทย์ ว่ากิเลสวัตตะเนี่ยนะวัตตะคือกิเลสอันนี้ชื่อว่ารกชัดที่เกิดขึ้นตลอดการหาเบื้องต้นไม่ได้เราละได้เด็ดขาดดีใจที่ที่ได้ละกิเลสเหล่านั้นเนี่ยนะเราละด้วยดีอย่างน่าอัศาจรรย์ก็เลยเป่งอุทานนะนะดีใจมากที่ที่ขนาดว่าเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่ามาประทับอยู่ที่เชตาวันเนี่ยนานแล้วนะขนาดนั้นก็ยังหยิบเอากิเลส ท, ที่ที่ตัวเคยมีในอดีต แล้วก็พิจารณาถึงความหลุดพ้นจากกิเลสเหล่านั้นแล้วก็มาดีใจเนี่ยนะก็พูดถึงว่าอะไรนะหลายคนเนี่ยเขาเคยพิจารณาเห็นความทุกข์ความยากของตัวเองในอดีตใช่ไหมตอนหลังก็มานั่งยิ้มอย่างมีความสุขเนี่ยนะโวยพ้นจากสภาพแบบนั้นแล้วเนี่ยนะก็เลยเป่งอุทานอันนี้ขึ้นว่าผู้ใดมีกิเลสเครื่องเนิ่นช้าเพราะและความตั้งอยู่ในสงสารก้าวล่วงแล้วซึ่งที่ต่อคือตันหาทิฐิและลิมเคอวิชาได้ ในหมู่สัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกไม่ดูหมิ่นผู้นั้นผู้ไม่มีตัณหาผู้เป็นมุนีเที่ยวไปอยู่อันนี้อธิบายว่ายัสสะปะปัญจาทิติจะนถิความว่าเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงออกเฉพาะพระองค์ให้เหมือนกับผู้อื่นอันที่จริงคถาเนี่ยปรารกพระองค์เองนะแต่เหมือนกับพูดกำลังพูดกับคนอื่นว่าอัครบุคคลใดอัครแปวเลิศ บุคคลที่เลิศใดเนี่ยนะไม่มีธรรมะเครื่องเนิ่นช้ามีลักษณะที่กล่าวไปแล้วอะไรบ้างราคะโทสะโมหตันหาทิฏฐิมานะเนี่ยนะและไม่มีความตั้งใจอยู่ในสงสารานะไม่มีความตั้งใจที่จะมั่นคงอยู่ในสงสารเอที่จริงเนี่ยนะของเราเนี่ยตั้งใจอยู่ในสงสารหรือตั้งใจออกกก่สงสารอันไหนมากกว่ากันวันวันหนึ่ง เอางี้ก่อนัวาวันวันหนึ่งเนี่ยคิดจะออกจากสงสารกี่ครั้งที่เหลือเนี่ยตั้งใจอยู่ในสงสารหมดเลยนะลักษณะนนะแต่พระองค์ไม่มีตั้งใจที่จะอยู่ในสงสารถ้าใครตั้งใจอยู่ในสงสารก็ทำยังไงก็ชื่นชมสงสารสิสังขารก็ดีดีเที่ยงสุกงามยั่งยืนอัตตาเนี่ยนะชมอย่างงี้แหละเขาเรียกว่าประทับใจมากในวัตตะา อ, อยู่นานอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเรา พระองค์เนี่ยไม่มีความตั้งใจอยู่ในสงสารที่ปปันจะทําเหล่านั้นสร้างขึ้นแต่ในเนติท่านกล่าวไว้ว่าอนุสัยชื่อว่าทิติเนี่ยนะตรงนี้คัมภีเนติบอกว่าอนุใสเนี่ยชื่อว่าทิติคือความตั้งอยู่เนี่ยนะมันเหมือนทําให้ตั้งอยู่ในวัตตะจริงอยู่อนุใสเนี่ยนะเป็นมูลรากของการเกิดในภพอนะเป็นมูลเป็นรากเป็นรากเง้าแห่งการเกิดในภพจริงๆ อนุสัยนี่หมายถึงสหาชาตานุสัยเนี่ยนะคำว่าความตั้งอยู่ทิฏฐิเนี่ยนะบอกว่าเป็นก้อไปความตั้งอยู่คือความที่ปปันจะทำอย่างปรากฏอยู่ได้แก่ยังตัดไม่ขาดด้วยอริยมรรคชื่อว่าปะปันจับทิฏฐิก็คืออริยมรรคไม่เกิดนี่ก็ชื่อว่ากิเลสเนี่ยยังคงตั้งอยู่เนี่ยนะถ้าอริยมรรคยังไม่เกิดนะ อีกอย่างหนึ่งความตั้งอยู่แห่งวัตตะโดยเป็นเหตุเกิดแห่งขึ้นแห่งกุศลอกุศลและวิบากที่ยังเหลืออยู่คือปปัญจธรรมคือปปัญจดทิฐิสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่มีอยู่ในบุคคลใดคือใครพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าเลยบทว่าสันทานังปริคันจะวีติวัตโตความว่าบุคคลใดก้าวล่วงตันหาและทิฐิอันได้ชื่อว่าสันทานะ ปัญหาทิฐิสันธา น, ธ า, น, นธานะสันธานะหมายคือว่าเป็นเหมือนกับที่ต่อเพราะอาจว่าเป็นเครื่องผูกพันและก้าวล่วงอวิชชาคือลิ่มเพราะเป็นเหมือนลิ่มและก็กีดกันการเข้าไปสู่พระนครคือพระนิพพานอาวิชชาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับอะไรนะสมัยใหม่ก็ใช่ากุญแจนะกุญแจที่มันล็อกไม่ให้สามารถเข้าเข้าออกเมืองได้ฉันใดที่เราไม่ประจักษ์อริยสัจไม่เห็นไม่แก้งแพงตลอดอริยสัจ ตรัสรุนิโรศ จ, จะคือพระนิพพานก็เพราะว่าถูกลิ่มคืออวิชชาเนี่ยนะเป็นเหมือนกับกรอนเนี่ยล็อกเอาไว้แล้วทำให้ทะลุทะลวงเข้าไปไม่ได้สรุปว่าพระองค์นั้นสามารถก้าวล่วงอวิชชาหรือว่าถอนเรียกว่าถอดสลักคืออวิชาเนี่ยนะก็ก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานด้วยการละกิเลสพร้อมทั้งวาสนาได้หมดแล้วบทว่าตังนิตันหัง มุนิงจารันตังความว่าซึ่งพระอริยะบุคคล น, นั้นชื่อว่าผู้ปราศจากตัณหาเพราะไม่มีตัณหาโดยประการทั้งปวงที่เชื่อว่ามุนีเพราะรู้ประโยชน์เพราะรู้โลกทั้งสองโลกทั้งสองโลกไหนพระองค์รู้ทั้งโลกียะและโลกุตระขณะเดียวกันพระองค์เป็นมุนีรู้ประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยนะพระองค์ในรู้โลกิยะโลกุตระพระองค์รู้ประโยชน์ตนรู้ประโยชน์ผู้อื่น พระองค์ชื่อว่าผู้เที่ยวไปด้วยอิริยาบถสี่ด้วยการยังสมาบัติต่างๆให้เที <sted S 2> ่ยวไปก็คือเที่ยวไปด้วยสมาบัติเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าในอิริยาบถพระองค์เข้าสมาบัติได้ทุกอิริยาบถและด้วยการยังยานอันไม่ทั่วไปแก่คนอื่นให้เที่ยวไปนะหมายถึงว่าขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังเที่ยวไปด้วยอสสาธารณียาณหกอีกนะเที่ยวไปด้วยสมาบัตินะสมาบัติต่างๆเที่ยวไปด้วย อสาธารณญาหกมีอาศยานุสยญาณเป็นต้นเพื่อประโยชน์เพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงโดยส่วนเดียวชีวิตของพระองค์เนี่ยนะทุกกิริยาของพระองค์กายวาจาใจการขยับตัวทุกชนิดทั้งหมดของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นสมมติเราก็บอกเอ๊ะพระองค์เนี่ยทำทุกอย่างนะตั้งแต่ตั้งความปรารถนาะปฏิบัติตรัสรู้แสดงธรรมทั้งหมดเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นใช่ไหม แม้กระทั่งการที่พระาธาตุดารงอยู่ก็ดํารงอยู่เพื่อประโยชน์แก่สัตว์อื่นอื่นจากใครก็อื่นจากพระพุทธเจ้าก็หมายถึงพวกเรานี่แหละแล้วเราได้ประโยชน์อะไรบ้างตกลงเราได้อะไรใค ร, ใครๆเคยนั่งทบทวนตัวเองว่าได้ประโยชน์อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างคือในโลกนี้นะบอกตรงๆเลยว่าทุกอย่างมันอยู่ด้วยประโยชน์จริงๆทําไมเขาจึงเรียกขยะก็เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรก็ตามที่ไม่มีประโยชน์นะจะได้รับการ กำจัดออกไปในร่างกายของเราก็เหมือนกันอะไรที่ไม่มีประโยชน์นะจะถูกกำจัดออกไปฉันใดพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันคือผู้ที่ให้ประโยชน์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นเมื่อพระองค์เป็นผู้ให้แล้วคนรับอะรับอะไรไปบ้างแล้วรับสิ่งที่เป็นประโยชน์อะไรไปบ้างเนี่ยนะมาไล่ดูนะได้ประโยชน์อะไร 1, 2, 3, 4, หนึ่งสามสี่ห้าอนั่งสาธยายครึ่งวันไม่จบเลยประโยชน์ที่ตัวเองได้รับอ้ยเก่งมากเนาะทาไม ทำไมอะไรนะเป็นเป็นภาชนะที่รองรับประโยชน์ที่พระองค์เนี่ยหลังประโยชน์ให้จริงๆนะเขาบอกว่าพระสูตรเนี่ยนะอัฏฐะของพระสูตรเนี่ยแปลว่าหลังประโยชน์เผลดประโยชน์ก็ได้ความหมายของสุตะสุตะหรือสูตรเนี่ยนะแปลว่าเผลดประโยชน์หลังประโยชน์เนี่ยนะแล้วก็รักษาผลประโยชน์เนี่ยนะร้อยประโยชน์เอาไว้เป็นต้นเนี่ยนะ ชีวิตของพระองค์เนี่ยนะผู้เป็นมุนีที่ปราศจากตันหาอย่างนี้แล้วพระองค์รู้ทั้งส่วนของโลกียะรู้ทั้งโลกุตตระขณะเดียวกันพระองค์รู้ประโยชน์ของพระองค์เป็นอย่างไรรู้จักประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอย่างไรเที่ยวไปในอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนเข้าพร ะ, ะสมาบัติอยู่ด้วยอาสะอาสาธรณญานสแสวงหาประโยชน์สุขประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์โดยส่วนเดียว นาวชานาติสเทวโกปิโลกโสัตวโลกที่เกิดมาด้วยปัญญาของตนพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมอเทวโลกพร้อมทั้งพรหมโลกแม้ในการไหนไหนก็ไม่รู้ไม่ได้เสเวยโดยที่แท้ ก, กระทำให้หนักแน่ น, นนะทุกคนเนี่ยทำแต่ความเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าใช่ไหมยินดีในการบูชาสักการะโดยเคารพว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เลิศอักโคเลิศ เศษรษพประเสริฐ น, นะนะเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สูงสุดประเสริฐยิ่งในโลก น, นะนะทุกคนก็อันนะอะไรนะปัทมานุสติฐานนางวันทานิตังสิเรนะหา่างยัยปัมานุสติฐานังก็คือพระองค์เนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกองค์ที่หนึ่งอันนะองค์ที่หนึ่งเลยนะในบรรดาทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้ามาอันดับหนึ่งพระธรรมมาเป็นอันดับสองพระสงฆ์มาเป็นอันดับสาม สี่ห้าก็ตามใจเนี่ยนะแต่ว่าพระพุทธคืออันดับหนึ่งพระธรรมเป็นอันดับสองพระสงฆ์เป็นอันดับสามสาธุขอให้อย่างนั้นน่ะสารณะมั่นคงแน่นะพระพุทธเจ้ามาอันดับหนึ่งแล้วก็บรรลุแน่เคยนึกมีอยู่ครั้งหนึ่งบอกโอ้ยแล้วก็เกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้นะมันนึกในใจแบบเกรงใจพระพุทธเจ้าขนาดนี้ไหมเอ้ไม่บรรลุก็อยู่ไม่ได้หรอกเชือ่อเหรอก็เลย เออใช่นะถ้าเราถ้าเราจะเกรงใจใครสักคนนึงก็ควรจะเป็นพระพู้เทเจ้าเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์ก็หวังดีกับเราทุกอย่างเลยนะก็เหมือนกับว่าหลายคนนะัเกรงใจเพื่อนแต่ไม่เกรงใจพ่อแม่สมมติพวกเด็กนักเรียนทั้งหลายเนี่ยแปลกนะเกรงใจเพื่อนมากกว่าเกรงใจพ่อแม่ทั้ ง, ง, งๆที่พ่อแม่ส่งเรียนเพื่อนก็ไม่ได้ส่งเรียนอะไรหรอกแต่ว่าเกรงใจเพื่อนไม่ได้เกรงใจพ่อแม่ลูกน้องหลายคนเนี่ยก็แปลกว่าไม่เกรงใจเจ้านายผู้ให้เงินเดือนว่าจ้างเปนไปเกรงใจใครที่ไหนก็ไม่รู้ บางทีก็ฉันใดก็กเหมือนกันผู้ที่ศึกษาคำสอนให้พ้นจากวัตรทุกข์แทนที่จะเกรงใจพระพุทธเจ้าไปเกรงใจใครที่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยถ้าเกรงถ้าเกรงใจผู้อื่นไม่เกรงใจพระพุทธเจ้าทำยังไงเราก็จากพระพุทธเจ้าไปหาคนอื่นก็ถือว่าเสื่อมเสียแล้วเนาะ